ข้ออุปมาที่เห็นชัดที่ชอบใจในสูตรนี้ก็คืออุปมาวิญญาณขันเนี่ยนะพอแบบพิจารณาเออ ม, มันมันมันจริงอ่ะนะเห็นชัดว่าแม้วิญญาณก็เหมือนกันเปรียบเหมือนมายาเพราะหมายคำว่าไม่มีสาระอันหนึ่งชื่อว่าเปรียบเหมือนมายาเพราะหมายคำว่าจับคว้าไม่ได้เปรียบเหมือนว่ามายานี่ปรากฏเร็วชั่วเวลาเล็กน้อยฉันใดวิญญาณก็ฉันนั้น เพราะว่าวิญญาณนั้นเป็นของมีชั่วเวลาน้อยกว่าและปรากฏเร็วกว่ามายานั้นก็คนเนี่ยจึงเป็นเหมือนเดินมานะจึงเหมือนมีคนเดินมาว่านันเนี่ยเป็นเหมือนยืนอยู่และเป็นเหมือนนั่งด้วยจิตดวงเดียวกันนั่นแหละจริงๆนะอย่างที่เรามาสังเกตนะที่ทําให้มานั่งจิตที่เดินมานะแต่ละก้าวก็ถือว่าโคละโคลจิตเลยที่นั่งก็โคลจิตพลิกไปพลิกมาก็ คนละจิตเนี่ยนะลุกขึ้นก็คนละจิตยืนก็คนละจิตคนละจิตเนี่ยเป็นสมุดฐานทั้งนั้นแหละที่พาไปอ่ะแต่ดูเหมือนกับว่าแหมเป็นจริงเป็นจังไปหมดจริงๆแล้วคนละความคิดนะนะคนละความคิดคนละความคิดไปละที่ที่เป็นสมุดฐานแต่ว่าเวลาในเวลาไปจิตดวงหนึ่งในเวลามาก็จิตอีกดวงหนึ่งเนี่ยนะยืนก็ดวงหนึ่งเดินก็ดวงหนึ่งนั่งก็ดวงหนึ่งนอนก็ดวงหนึ่งมันคนละความคิดทั้งนั้นเลยนะ คนละคนละคนละจิตคนละจิตคนละจิตแล้วจิตนี้ถ้าแยกประเภทได้กี่ประเภทนะก็แบบอภิธรรมมัทสังกะหะก็89หรือ1 2ึ่ถ้าแบบจิตตาโนปัสสนาก็แบ่งออกเป็นตั้ง16ประเภทใช่ไหมจิตมีราคะก็อย่างหนึ่งจิตมีโทสะก็อย่างหนึ่งจิตมีจิตปราศจากโลภะก็อย่างหนึ่งจิตปราศจากโทสะก็อย่างหนึ่งจิตมีโมหะก็อย่างหนึ่งจิตปราศจากโมหะก็อย่างหนึ่ง นะจิตเป็นกามาวจรก็อย่างหนึ่งเป็นรูปาวจรก็อย่างหนึ่งอรูปาวจรก็อย่างหนึ่งนะจิตทเรว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นมหคตะไม่เป็นมหคตะจิตเป็นจิตตั้งมั่นกับจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นกับจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยก็คนจิตคนจิตแล้วจิตเหล่านั้นเป็นสมุทฐานแห่งการไปการมาการยืนการเดินการนั่งการเลี้ยวซ้ายหันขวาเนี่ยนะจิตเหล่านั้นเป็นปัจจัยทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นแต่แบบดูเหมือนกับว่าแมบเป็นจริงเป็นจังมากะนะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่าข้ามาก็จิต ด, ดวงหนึ่งนะข้าไปก็จิต ด, ดวงหนึ่งเนี่ยนพราคนละจิตคนละจิตคนละจิตไปเลยนั้นวิญญาณไม่จึงเหมือนกันกบมายาอย่างนี้นะเพราะนั้นไม่ใช่วงการมายาอย่างเดียวนะวงการเราก็มายาเหมือนกันเพราะจิตคนละดวงคนละดวงเป็นไปอ่นะเพราะว่าจิตเป็นเหมือนกับ มายาอยู่แล้วมายานี้บางทีก็แปลว่าเหมือนกับอะไรเหมือนกับเงาเนอะเะมือนก็เป็นของหลอกลวงอ่ะเป็นของมันเหมือนกับเงาที่สร้างขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นจริงเป็นจังอยู่ในนั้นหรอกเเออ่ิตงนี้หมา า, หม า, าทก็ยกมาให้มันชัดๆเนี่ยจิตที่ทําให้มาก็อย่างหนึ่งเอาแบบหยาบก่อนั้นะวิธีพูดเนี่ยเขาจะพูดในสิ่งที่หยาบเห็นง่ายก่อนอะที่มาเนี่ย ตอนขามมานะก็จิตอย่างหนึ่งนะตอนที่นั่งก็จิตอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวกลับอีกก็จิตอีกคนละอย่างนะก็จะหยาบก่อนใชเสร็จแล้วถ้าถ้าแล้วจิตตอนคุณหันก็อีกอย่างนึ่งนะ ตอนได้ยินก็อีกจิตหนึ่งนะเขาค่อยแยกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะันเขาจะพูดในส่วนที่มันเห็นง่ายๆก่อนเนี่ยนะถ้าพิจารณาละเอียดได้ขียิบเนี่ยจิตเห็นต่อด้วยสัมปติชนนาสันติรณาณโวทัพนาชวานาดวงที่หนึ่งสองสามถ้าเก่งขนาดนั้นก็อนุโมทนาด้วยแต่ก็จะพยายามพูดในส่วนนี่มันเห็ น, นง่ายๆเนี่ยนะธรรมดาก่อนอันหนึ่งมายาเนี่ยย่อมล่อลวงมหาชน ให้มหาชนเนี่ยยึดถืออะไรอะไรต่างๆว่านี้ทองคํานี้เงินนี้แก้วมุกดาแม้วิญญาณก็ล่อลวงมหาชนให้มหาชนยึดว่าเป็นเหมือนเดินมาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับยืนอยู่เป็นเหมือนกับยืนนั่งอยู่ด้วยจิตดวงเดียวกันนั้นนั่นแหละเนี่ยนะเหมือนกับว่าแหมไอดวงเดียวของเขานีแหมใจของเขาเนี่ยดวงเดียวไปกว่าดวงเดียวมากกว่าดวงเดียวเนี่ยนะจริงแล้วไม่ใจะอย่างนั้นเลยนะ เพราะว่าในเวลามาจิตก็ดวงหนึ่งเวลาไปจิตก็ดวงนึ่งเนีเวลานั่งเวลานอนเป็นต้นก็จิตคนละดวงคนละดวงอ่ะนะก็ไปเจริญอย่างนี้ดูก็ครับให้เข้าใจชีวิตขึ้นอีกเยอะเหมือนกันนะเออเนี่ยไปก็จิตดวงหนึ่งมาก็จิตดวงหนึ่งนั่งก็จิตดวงหนึ่งเห็นก็จิตอีกดวงหนึ่งได้ยินก็จิตก็คนละอย่างคนละอย่างไปหมดเลยนะอสิ่งที่เราคิดว่าไอ้ตัวความคิดนี่แหละพอจะมีสาระได้บ้างเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ละไอ้ความคิดเองเนี่ยตัวดีเลยอะนะ ตัวยิ่งตัวที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเอาถือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล้าเป็นสรนไม่ได้สักอย่างเลยนะท่านก็ใครครบหาสมาคมกับความคิดมากก็คบหาสมาคมกับมายา่างัอนกันเลยคบหาสมาคมกับความหลอกลวงอย่างดีนี่เองนะนั่นตัวความคิดก็เป็นตัวที่หมายมันหลอกลวงสิ้นดีเหมือนกันเถอะก็ใครอ่ะนะก็หลอกตัวเองมานักต่อนักแลนะ้วเหมงอนกันเดี๋ยวหลอกมาเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวย่างเงี้นนะหลอกไปเรื่อย เหมือนกับว่าชันเนี่ยโอ้โหเป็นคนจริงจังมากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะนะที่ไหน ไ, ได้เปลี่ยนไป ท, ทุกอารมณ์นั่นแหละในคาถาสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตสาสนาสุคตสุขโตตรงนี้นะสุคตก็มาจากสุขโตมาเนี่ยสุขโตตรงเนี้ยคำพูดที่สุขโตอีกความหมายหนึ่งแปลว่าตรัส ด, ดีแล้วคําพูดที่พระองค์ตรัสดเนี่ยนะเป็นความจริงดีจริงๆอย่างนั้นจริงๆครั้นไ้ตรัสวยาการณะ คือวยาการณพจน์หรือภาษิทนี้แล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงรูปอุปมาด้วยฟองน้ําเวทนานี้อุปมาด้วยตอมน้ําสัญญานี้อุปมาด้วยพยับแดดสังขานี้อุปมาด้วยต้นกล้วยวิญญาณนี้อุปมาด้วยมายากลภิกษุเพ่งพินิษฐ์พิจารณาเบญจขันต์อยู่โดยแยบคายด้วยประการใดๆดเบญจขันต์ย่อมปรากฏเป็นของว่างเป็นของเปล่า ด้วยประการนั้นนั้นแกเธอผู้เห็นอยู่โดยแยบคายตั้งคําถามว่าเอ๊ะสังขันเนี่ยมันเป็นของว่างเป็นของเปล่าเนี่ยมันเป็นยังไงว่างกับเปล่าเนี่ยเป็นยังไงคุณเฉลิมขันห้านี่มันว่างมันเปล่าเนี่ยเป็นยังไงโอเพ่งยังไงมันขันห้ามันก็ว่างมันก็เปล่าเอ้นเป็นยังไงกันแน่ไอ้ว่างเปล่าเนี่ยถามใครดีมั้งอะคุณตอบก่อนหน้าก็ได้ อ๋อยังไม่ตอบนะสละสิทธิ์นะฮะไคุณอาลีขันห้าว่างเปล่ามเป็นยังไงอ๋อเพราะมันไม่เที่ยงอะ น, นะสาธุนะแล้วคนอื่นอีกอะคุณไพลรนขันห้ามันว่างจากอะไรบ้างเนี่ยนะได้แล้วอันหนึ่งอะนะว่างจากความเที่ยงก่อนเนียแล้วควรจะว่างจากอะไร ว่างจากอาตาัตรานชคือคือมันไม่ใช่อาตาัตราแล้วมันว่างจากบริหารของอัตราด้วยนะนะคุณภัยกว่ว่างจากอะไรบ้างกว่างจากความสุขที่แท้จริงใช่ไหมนี่ก็บริหาร น, นี่ก็จะแย่อยู่แล้วนะก็ต้องลองเดินขึ้นเขาดูเถอะขันมันจะหนักทุกขันหมดเลยนั่นนะ่ขึ้นถ้าเห็นฝรั่งปั่นจักรยานขึ้นดอยอย่างไงนะทีนี้ไปที่เชียงรายนะ แนะปั่นไม่ไหวมันจะลากจักรายานก็จะลากไม่ไหวไอ้ตัวมันก็จะเดินแล้วก็ไไหวอีกแล้วนะขันก็หนักจักรายานก็หนักนน <c oughs> นะก็บอกว่าขันเนี่ยมันก็เป็นทุกตอนนั้นเนี่ยนะจะเริ่มทุกข์มากปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยจะเริ่มว่าโอ้ยมันทุกข์จริงๆนะขันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสถูกแท้ผมพูดจริงแท้นะแต่ตอนที่อะไรเหมือนใจคิดหมดนะบอกเอาไว้ก่อนเหมือนกะ นะนก็คุณลองไปเดินขึ้นเขาดูเหอะไม่ใช่ครกหรอกเนี่ยวันเนี่ยเขาจะเดินขึ้นเขาไปดอยสุเทพนะไปสมัครเดินกับเขาดูเถอะถึงครึ่งเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพานถ้าเพ่งพิจารณาโดยเยบคายทุกแง่ทุกมุมจะเห็นว่าขันเนี่ยไม่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นเลยว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากชนิดที่ว่ามันมั่นคงไมไม่แปรปรวนเนี่ยนะ มันว่างจากอัตตาว่างจากบริขารของอัตตาแต่ขันเนี่ยมีจริงไหมจริงจริงแบบไหนอ่ะจริงแบบเนี้ยชาติพิทุกขาชาราปิทุกขามรณะปิรรทุกขังเนี่ยนะอันนี้แหละคือความจริงของมันอ่นะอันนี้จะไม่ว่างเลยใช่ไหมมันไม่ว่างจากเนี่ยชาติไม่ว่างจากชราไม่ว่างจากพญาที่ไม่ว่างจากมรณะไม่ว่างจากโสกกาไม่ว่างจากปริเทวะทุกโทโมนัตและ อุปายาตไม่มีว่างเลยถามว่าขนานี้มีขันเกิดไหมมีนะตอนนี้มีขันชราไหมอันนี้ธรรมดาตอนนี้มีขันที่ป่วยไหมมีตอนนี้มีขันจุติไหมมีตอนนี้มีคนหัวร้องไห้ไหมโศกะมีไหมปริเทวามีไหมปวดหัวตัวร้อนเป็นทุกกายทุกใจเนี่ยขันเหล่าเนี้ยมีไหมตอนนี้มีหมดเลยอันนี้อันนี้ไม่ว่างอันนี้มีอยู่จริงนะเนี อันนี้ไม่ว่างไม่เปล่าแต่ว่าว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความสุขว่างจากอัตตาเนี่ยอันนี้ว่างจริงจริงก็การละธรรมะสามอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินทรงปราลบายนี้แล้วแสดงไว้เธอทั้งหลายจงดูรูปที่เขาทิ้งแล้วเถิดเนี่ยนะอันนี้ก็ถ้าเป็นสมัยนั้นก็เนี่ยให้ดูศพจริงๆเลยแหะเนี่ยจงดูศพนี้สิ อายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้ไปเมื่อใดกายนั้นอ่ะกายนี้นั้นอ่ะจะถูกเขาทอดทิ้งนอนอยู่ไม่มีจิตเป็นเหยื่อของสัตว์นะกายนี้ทั้งหมดอายุไออุ่นและวิญญาณ3ามคำนะควรจำนะตัวหลักๆนะอายุไออุ่นและวิญญาณอายุคือชีวิตดินซีนะคนนี้อายุเท่าไหร่อย่างงี้ยนะอายุตัวนั้นเขาถามชีวิตดินซี นะเพราะว่าชีวิตดินซีเนี่ยไม่มีใครเนี่ยชีวิตดินซีดับไปชั่วระยะหนึ่งไม่มีใช่ไหมมัน ม, มีฉะนั้นชีวิตดินซีเนี่ยเป็นกรร ม, มชรูปที่หลอเลี้ยงสืบเนื่องมาตลอดพราะนั้นอายุหมายถึงชีวิตดินซีส่วนไออ่นหมายถึงเตโชธาตุที่เกิดจากกรรมนะเตโชธาตุที่เกิดจากกรรมก็ถ้าเย็นอย่าเยือกเท่าน้ำแข็งเลยเนี่ยนะทั้งหมด ท, ทั้งตัวหมดเลยนะถ้าเย็นเท่าน้ําแข็งหมดเลยเนี่ยจะมีชีวิตเหลือไหม มอเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยองศาลดไม่กี่องศานี่ก็จะแย่อยู่แล้วเหมือนกันสมมติถ้าร่างกายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวัดแล้วได้สักสิองศาเนี่ยนะมีชีวิตเหลืออยู่ไหมคุณาลีเหลือไหมถ้าถ้าร่างกายเนี่ยวัดแล้วได้อุณหภูมิสิองศานี่รอดไหมตายนะไม่เหลือนะปกติเนี่ยบอกว่าสัก37มนะถ้าลดมาสักสามสาามสเนี่ก็หนาวแย่แล้วเหมือนกันนี่นะว่าถ้าลดนิดเดียวก็ชักเลยนะ กเ็กเพิ่มก็ชักลดก็ชักทั้งเพิ่มตั้งรถนี่แย่หมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เตโชทาบเนี่ยถ้าเตโชทาตนะถ้าจับตัวใครแล้วเย็นจะเยือกหมดนะถ้านั่งอยู่ด้วยกันแล้วจับตัวเย็นเยือกหมดเลยนะถามว่าแหมจักจับคนหรือว่าจับอะไรกันแน่นะแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งก็คือวิญญาณเนี่ยหมายถึงจิตนะสามตัวเนี่ยถ้ายังหล่อเลี้ยงอยู่ก็เรียกว่าคนเป็นเมื่อน แต่ถ้าอายุไอาอุ่นและวิญญาณหมดไปเมื่อไหร่นะเนี่ยเขาทอดทิ้งไว้อย่างนี้แหละศพนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเหอะเป็นเหยื่อของสัตว์เนี่ยนะแต่เป็นอินเดียด้วยเนะ้ครั้งที่แล้วเนี่ยเรียนอาหารเปฏิกูลสัญญานะก็ก็เรียนไปก็บอกโอ้มีศพช้างศพมา้าศพวัวศพควาอยอยู่ข้างถนนเนี่ยนะนั่งรถไปมีศพควาอยอยู่จริงๆอะไรมีศพควายนอนเนี่ยให้สัตว์มันแทะอยู่ข้างถนอนอย่างใน อย่างในคำพีว่ Business, าจริงๆอ่ะพาราณสีนี GS, like ่แหละไม่ใช่ที่อื่นควายควายมันนอนตายแล้วกอแปลกแล้วเขาก็ไม่เก็บแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหะของประเทศไทยมีอยู่ศพสุนัขอย่างเดียวที่นั่นมีศพควายอยู่ด้วยควายควายเลยมีมีควายเขาเนี่ยมันโคเขามันงอๆอย่างกับอย่างกับคนถักผมเปียอ่งนั้น นี่ต่อไปนะว่าการสืบเนื่องการเนี่ยเป็นเช่นนี้เป็นมายากลที่คนโง่นเนี่ยพร่ำเพ้อถึงนะขันห้า น, นี่เหมือนกับมายากลนะคนโง่ก็พร่ำเพร่อถึงเช่นคนเป็นเนี่ยพร่ำเพ้อถึงคนตายนะจะต่างกันตรงไหนจากมายากลเนี่ยนะโอ้ยอย่างเช่นใครมีลูกตายมีญาติตายมีเพื่อนตายแล้วพร่ำเพ้อถึงถึงขันเหล่านั้นนะ น, น, นั้นนะโอ้ยคนโง่ทั้งนั้นที่เขาพร่ำถึงนะ ไม่มีอะไรจริงๆอะนะเหมือนกับฝันเหมือนอะไรเหมือนกับคนฝันร้ายไปเท่านั้นเองไม่มีอยู่โดยเป็นจริงขันเราตถาคตกล่าวว่าเป็นเพชฌคาตเนี่ยนะเพชฌฆาตซึ่งอธิกถาที่บายว่าขันเนี่ยมันเป็นเพชฌคาตได้ยังไงเนี่ยนะซึ่งในอธิกถาที่บายว่า บทว่าเอตาที่สายังสันตาโนความว่าประเพณีของผู้ตายนี้เป็นเช่นนี้จะสืบต่อกันไปจนกว่าจะถึงป่าช้าบทว่ามายาอย่างพาลาปินีเนี่ยนะความว่าขันนี้นั้นชื่อว่าวิญญาณขันนี้ชื่อว่าเป็นมายาที่มหาชนผู้โง่เขลาพร่ำเพ้อถึงบทว่าวัฏโกวัฏโกคือวัฏกะผู้ฆ่าหรือเพชฌฆาตเนี่ยนะกล่าวคือขันนี้เป็นไปด้วยเหตุสองประการ คือขันเนี่ยมันเป็นผู้ฆ่าด้วยเหตุสองหนึ่งมันฆ่ากันเองเมสองมันถูกฆ่าเอาตัวแรกก่อนนะขันฆ่ากันเองก่อนอธิบายว่าโดยบาลีว่าเมื่อขันมีอยู่ผู้ฆ่าก็ปรากฏอันนั้นนะคือถ้ามีขันเนี่ยการฆ่ามันก็มีใช่อธิบายว่าปฐวีธาตุอย่างเดียวเมื่อแตกสลายก็พาเอาธาตุที่เหลือแตกสลายไปด้วย มุท่าขันคือตับปัทวีธาตุคือตับเสียหายนะบอกชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงยี่สสี่ชั่วโมงอนะถ้าตับเนี่ยนะถ้าตายล่ะถ้าหัวใจมันเลิกนะหัวใจมันงอแงขึ้นมานะกกี่นาทีเนี่ยนะก็เนี่ยถ้าปัทวีธาตุคือตับคือไตคือหัวใจคือปอดคือม้ามคือพังผืดคือไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมันตายนะมันจะพาอย่างอื่นเนี่ย มาค่าอย่างอื่นหมดหละทีนี้ถ้าอาโปธาตมันเล่นงานว่างั้นไหมสเลดมากไปน้ําดีมากไปหรือหรือน้ําดีไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะหรือน้ําอำธาตุอื่นๆอีกหมดอ่ะธาตุน้ํำน้ําเลือดแห้งน้ําไขข้อนั้นไม่มีนะคนสูงอายุจะเป็นไงนะเดินสายดังพองเป่งเงเปงแว่งเดินเนี่ยดังมังงมไปหมดเลยเนาะถ้าน้ําไขข้อไม่มีอนะถ้าไม่มีน้ํา ปัสสาวะอีกก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันหรือปัสสาวะไม่ออกนะเดี๋ยวธาตุมันจะพากันฆ่ากันเองอนเลือดเลือดน้อยมันได้แล้วมันจะไปไปไปพาธาอื่นๆไปหมดอีกเนไหทีนี้ถ้าธาตุลมอีกไงนะธาตุลมอ่ะนะลมพัดขึ้นเบื้องบนเนี่ยความดันทั้งหลายแหลเนี่ก็เอาอีกแล้ว แล้วธาตุธาตุลมเนี่ยนะมันมันมันเล่นงานเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันบิดท้องบิดไส้บิดโน่นบิดนี่นะบิดเอเคยเห็นคนเกรงไหมอันนั้นนั่นแหละธาตุลมมันพ่นพิษมาเล่นงานแล้วมันเกรงเต็มที่แหละทีนี้ถ้าธาตุไฟอ่ะนั่นะไข้ขึ้นเนี่ยธาตุไฟเนี่ยชัดหรือว่ามันเกิดมันเย็นอย่ายื่อขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละนะเออหาผ้ามาห่มแล้วก็ ใครเคยเป็นมาลาเรียบ้างอ่ะน่าจะรู้ดีอ่ะนะมันเย็นหาผ้ามาจนตัวหนักแล้วมันก็ยังไม่ไม่หายอ่ะนะหนาวหนาวมากของมานี้แชอน้ำเกลือมันหนาวอ่ะอืมอ่อนแชน้ำเกลือมันหนาวมีแต่คนดรที่สิด มันต้องสร้างพลังงานข่นาเพื่อ่าลูกทั้งัมันก็สร้างเพื่อให้เกิดพลังงานอ๋อสารกึ่เกลาอันนี้ไอ้ข้นไอ้ไอ้ซิกโอมันหนาวสุดแล้วเตโชธาต์เนี่ยนะมันลดเนี่ยใครหรือมันเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวนียช่วงนี้จากนี้ไปเรื่อยๆนะเตโชธาต์ภายนอกมันจะเพิ่มใช่ไหม ที่ผ่านมาเนี่ยเตโชธาตมันลดใช่ไหมภายนอกกันนะถ้าเจเตเดี๋ยวเตโชธาตข้างในบ้างเดี๋ยวก็มันจะพาฆ่ากันเองหมดเลยสรุปก่อนแรกก่อนนะว่ามหาภูตรูปมันจะฆ่ากันเองเท่าที่ข้อแรกก่อนนะทีนี้ข้อสองมหาภูตรูปถ้ารวมกันเรียกว่ารูปประขันรูปประขันนะเวลามันตายมันจะพาเอานามาขันเนี่ยเสริมไปด้วยมันก็เป็นผู้ฆ่า เรียกว่ารูปประขันฆ่าอรูปประขันอรูปประขันเนี่ยมันก็ฆ่ารูปประขันเองเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นขันมันจะฆ่าขันเองแม้แต่นามะขันนะเวทนาขันเนี่ยถ้ามันเวทนาเปลี่ยนนะสัญญาสังขารวิญญาณเปลี่ยนถ้าวิญญาณเปลี่ยนเวทนาสัญญาเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนหมดเลยอันในธรรมะท่านบอกว่าขันหนึ่งเป็นปัจจัยแก่ขันสามขันสามเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองนะถ้าขันนั้นนั้นพลิกเมื่อไหร่แล้วก็เอาละ เพวกนี้มันเป็นผู้ฆ่าเพราะมันฆ่ากันเองอนะมันแสดงว่าความคิดเรามันก็ฆ่ากันเองกันตลอดนะเนาะร่างกายเองมันจะฆ่ากันเองเองไหมออยู่กับเพชฌฆาตจริงๆนะมันก็เข็นฆ่ากันหน้าดูเลยเคยเขาบอกว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่ได้ไม่น่าแปลกใจเอเขาบอกว่าถ้ามันตายนนั้ไม่ต้องแปลกใจเพราะมันเรื่องธรรมดาจริงๆแต่มันมีชีวิตอยู่ได้นี่มันน่าแปลกใจมากกว่านั้นทำไมจริงํารงอยู่ได้นะ โอ้โหประคับประคองอยู่ได้เนี่ยนะจนถึงยิ่งคนมีมีบุญมากๆที่อายุยืนเนี่ยนะประคับประคองอยู่ได้ยาวขนาดนี้ก็มีบุญมากแล้วนะีอย่างอย่างคนที่เดินทางมากๆแล้วไม่ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนมีบุญมากเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวก็กระพังกระแพ่งมาจากท้องถนนเนี่ยมาให้เห็นมันเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละใครมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวถึงกับเกษียณแล้วหลังกเกษียณอีกนานนี่มีบุญมากนนะคนอื่นก็ยังไม่ทันรับราชการนลย ตกไปนานแล้วยังไม่ได้เข้างานนะตาไปแล้วรถมอเตอร์ไซด์มันเอาไปแล้วเนาะนะนวานก็คุยกันไอ้เพื่อนคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซด์กรุงเทพมันไปไปแซงเขายังไงไม่รู้เลยมันล้มแล้วก็รถมันเหยียบเหลือศพอยู่หน่อยเดียวอย่างนี้เพื่อนกันเนี่ยเรียนหนังสือด้วยกันเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่เนะนี่ยนะเทนิส ขันนะในตัวของมันเองนะมันฆ่ากันอีกเสร็จแล้วถ้ายังมีขันก็ยังมีการถูกฆ่านะนะสมมติสมมติว่าขันภายในมันไม่ฆ่าเดี๋ยวขันอื่นมันจะมาฆ่าเองเพราะฉะนั้นถ้ามีขันก็ยังมีการจองจํามีการตัดมือตัดเท้าตัดหัวมีไหมขันถูกตัดหัวมีไหมไปตลาดหมอก็บอกว่าไปตลาดนี่เห็นชัดนักแร้เหมืองกันเดี๋ยวก็ปลาเนี่ยเดี๋ยวก็โป๊กเดี๋ยนะก็ก็ขันนะปลาเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขันใช่ไหมขันเนี่ย ถูกขันทุบเข้าไปโอนั่นแหละท่นถ้าถ้ายังปฏิสนธิยังมีขันอยู่ก็ไม่พ้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ดูเดราชาันต่างต่างนี่ก็เป็นขันแล้วก็ขันก็ถูกฆ่าอย่างสมมติว่านในเชียงใหม่เนี่ยหมูตายวันละกี่ตัวไงนะควายที่เป็นขันอันนั้นตายวันละกี่ตัวเป็ดตายวันละกี่ตัวไก่ตายวันละกี่ตัวกุ้งปล า, านะที่โอ้ขันเนี่ยถ้ายังมีขันนะคะ่ะสิ่งเหล่านั้นจะถูกฆ่าอยู่ตลอดเวลา เนี่ยนะไม่พ้นแบบแล้วสัตว์ที่ที่ตายอยู่ทั้งโลกเนี่ยนะที่ตอนนี้นะจุติอยู่ทั้งโลกเนี่ยหาประมาณไม่ได้ปฏิสนธิก็หาประมาณไม่ได้จุติปฏิสนธิหาประมาณไม่ได้แต่นี่เฉพาะในโลกเดียวนะแล้วถ้ามองในระดับจักรวาลอีกนะจุติปฏิสนธินี่ว่นกันไปหมดเลยถ้ามองอีกว่าจักรวาลนี่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะสัตว์จุติปฏิสนธิไม่มีว่างเลยนะเขาบอกว่า จ ะ, จะหยุดปฏิสนุติกับปฏิสนุที่อยู่ช่วงสั้นๆเช่นขณะที่พระโพธิสัตว์ได้รับพุทธภรรย์นะประชุมธรรมสมโมทา น, นนะพระพุทธเจ้าภรรย์นะระหว่างนั้นสั้นๆจะไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายจะไม่มีจุติปฏิสนุที่แล้วขณะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยแสดงธรรมจักนะช่วงระยะสั้นๆที่ที่มันเกิดอนุภาพของการแสดงธรรมเนี่ยระยะสั้นๆอ่ะ ที่ไม่มีจุติปฏิสนธินะที่เหลือนี่ไม่มีว่างเหมือนอะไรเหมือนรถในกรุงเทพนี่ไม่มีเงียบเนี่ยนะมันอยู่ใ น, ในสือเร่ไหนหรูค้ครับที่พระุทธเจ้าแสดงธรรมแล้ว ก, ก็ไม่มีารจุดติอยู่ออยู่ในอธิบายพุทธวงศ์ ม, งมียก คือช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นแหละที่ที่ว่าไม่มีจุติปฏิสนธินะแต่ที่เหลือนี่ไม่มีว่างเว้นอย่างในโลกนี้เขาคำนวณได้หมดเลยใช่ไหมว่าเกณฑ์เฉลี่ยนนาทีหนึ่งอ่ะตายเท่าไหร่สมมติว่ามนุษย์ในโลกเนี่ย 5,000 ันก่ล้านร่วม6000ล้านเนี่ยก็เฉลี่ยได้เลยว่านาทีหนึ่งควรจะตายกี่คนแล้วก็นาทีหนึ่งอ่ะควรจะคลอดกี่คนอย่างงนะ ไอ้ที่ตายอยู่ในระหว่างคันไม่ต้องนับเอาเฉพาะที่คลอดมาเอาแลนับตรงนั้นเป็นเกณฑ์ส่วนที่ตายในครันนี่เพราะมันมีการทําําทาแท้งแบบชนิดหลายชนิดด้วยกันเนี่ยนะก็ปฏิสนธิสักชั่วโมงเดียวก็หลุดแล้วอย่างเงี้ยก็มีนะไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยสรุปแล้วก็เอาเฉพาะที่หลังคลอดมาแล้วเนี่ยก็คํานวณได้อีกเหมือนกันมันก็จะมีตายมีเกิดมีตายมีเกิดแล้วพันอื่นอีกนะที่เป็นสัตว์เดรัจฉานอีก ถ้ายังมีขันก็ยังมีการถูกฆ่าถูกจองจําถูกเขี่ยนถูกตีแล้วก็ยังต้องบำเรอขันต้องเลี้ยงขันเหมนกันเนี่ยก็กว่าจะพอบำเรอปากบำเรอท้องเลี้ยงขันได้นี่เขาเนะยทุกคนที่สแสวงหาทั้งหลายเนี่ยนะที่อยู่นิ่งกันไม่ได้นี่ก็เพื่อที่จะเลี้ยงขันอีกนั่นแหละนะบริหารขันเนี่ยนะหรือขันเนี่ยถ้านั่งนิ่งๆไว้อยู่ได้ไหมว่า อ, อยู่ไม่ได้อีกนั่นเลย ต้องกระดุกกระดิกกินดีมันะมก็ต้องแหม ม, นะมันต้องบำรุงบำเริมมันอยู่ตลอดเวลานะเพราะถ้าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวมันจะฆ่ากันเองเอนะ <c oughs> แล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าข้างนอกเขาจะมาฆ่าเอางนั่นแหละ <c oughs> นี่ดีนะเป็นมนุษย์นะไม่ต้องระแวงภัยมากนรกถ้าเป็นสัตว์เด้ระชาดนะได้ยินเสียงแกร็งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องตื่นและมันจะต้องรีบวิ่งอย่างไก่เนี่ยนะ สมมติถ้าไก่ป่าเนี่ยถ้าปกติมันหากินนะแต่ถ้ามีเสียงดังแบบตุ๊บๆ๊บเนี่ยมันจะระแวงหมดเลยมนุษย์เนี่ยฟ้าผ่าบ้างอะไรบ้างแล้วยังใช้ใช่ยนะยังเรียกว่ายัางไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสัตว์ยิ่งเล็กมากยิ่งหวั่นไหวมากเท่านั้นเนี่ยนะเพราะนนในหมู่ของขันทั้งหลายเนี่ยยังมีการถูกเข็นถูกฆ่าถูกจองจําเนี่ยก็เนื่องจากมีขันที่นี้ทำไงล่ะพงศ์ก็แนะนําต่อไปว่า อัตราหนึ่งสาระในเบนจขันเนี่ยไม่มีนะคืออัตราก็ไม่มีอยู่จริงเหมือนกันเถอะแล้วก็แก่นสารแก่นคือความเที่ยงความสุขในในขันก็ไม่มีภิกษุผู้ปรารบความเพียรแล้วเพียรเพียรคือเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลโดยเฉพาะเพียรเจริญวิปัสนาเพียรเจริญปัญญาพิจารณาขันอย่างนี้นะมีสติมีสัมปชัญญะพิจารณาขันทั้งหลายอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเห็นไนะ จำข้อประมาขันทั้งห้าได้นะรูปเหมือนกับฟองน้ําเวทนาเหมือนกับตอมนม้ําสัญญาเหมือนกับพยับแดดสังขารเหมือนต้นกล้วยวิญญาณเหมือนกับมายากลนะแล้วก็พิจารณาว่าไอ้ขันทั้งหลายเหล่านี้โดยเฉพาะรูปประคันเนี่ยถ้าชีวิตเนี่ยนะว่ารวมๆถ้าอายุไออ่นวิญญาณหมดไปเนี่ยก็แตกสลายเป็นอาหารของหมูนอนมันผู้ที่พิจารณาคดีควรอย่างนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน ภิเมื่อพิจารณาอะจุติบทนะคือถ้าน้อมเห็นภัยของสังขารมากเท่าไหร่นะจิตจะน้อมไปเพื่อหาวิสังขารที่ที่ไม่วิสังขารคือนิพพานเนี่ยนะน้อมไปหาวิสังขารที่สงบประ ง, งับจากขันเท่านั้นพระองค์ตรัสไว้เลยว่าผู้ใดยังเห็นว่าขันเที่ยงอย่างนั้นเถอะจะยังลงสู่ เรียกว่าอนุปัสนาอนุโลมยานเกิดไม่ได้ถ้าอนุโลมยานเกิดไม่ได้มรรคเกิดไม่ได้ถ้ามรรคเกิดไม่ได้บรรลุอริยผลไม่ได้ถ้ายังเห็นขันว่าเที่ยงแต่ผู้ที่เห็นขันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นนะจิตจะน้อมไปสิ่งที่ไม่ใช่ขันน้อมออกจากขันเพราะเห็นโทษของขันอย่างเต็มที่เนี่ยนะเห็นว่าการปราศจากขันเป็นเป็นความสงบอย่างยิ่งเรียกว่าอาจุติบทเนี่ยนะบทที่ไม่ตาย เพราะงก็ถ้าจิตน้อมไปมีอะจุติบทเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ก็ละสังโยชน์ทั้งปวงได้นะที่จะละสังโยชน์ได้เด็ดขาดจริงๆเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์นียถ้ายังมีขันเป็นอารมณ์อยู่ละกิเลสได้เด็ดขาดไม่ได้ละสังโยชธแท้จริงไม่ได้ต้องเรียกว่าต้องโน่นแหละมีนิพานเป็นอารมณ์จริงกะละสังโยชน์ได้ธรรมที่พึ่งแก่ตนเนี่ยนะเมื่อมีนิพานเป็นอรรนาราัมมนาปจัยเมื่อไหร่เรียกว่าคนมีที่พึ่งแล้วประพฤติดุดบุคคลที่ เหมือนไฟไหม้บนศรีรษะฉะนั้นคณาคนที่จะปฏิบัติเพื่อเห็นภายในขัน5อย่างหนึ่งนะข้อ2น้อมจิตพิจารณานิพาน 3. ต้องการตัดสังโยศแสวงหาที่เพึ่งให้แก่ตัวเองนะต้องภาคเพียนเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บนศรีรษะต้องรีบเจริญแบบนั้นนะของเราไม่ทราบว่าใครบอกมากลับไปจากนี้ต้องให้กุศลจิตเกิดให้มากเลยนะตนังนก็เท่านั้นจะได้เจริญต่อเนี่ยนะก็อนุมโมทนาด้วยนะ หรือว่าโอก็ยังไม่ได้รีบอะไรอย่งั้นแต่คงไม่เป็นอย่างงั้นมั้งเนาะนนนนแนวนี้ใช่ไหมเออพระสูตรแนวนี้มีอยู่ปร ะ, ป, ร ะ, ป, ระปลายเนีย่ยนะแต่มีเล่มหกสิบแปดหน้าประมาณ100ร้อยกว่าในะมีอยู่บ้างนะเล่มหกสิบแปดแล้ววิสุทธิมักเล่มสุดท้ายเนีย่ยนะวิสุทธิมักเล่มสุดท้ายอยู่อยู่ทัก หน้าเจ็ดแปดสิบแถวๆนั้นอนะ่ะเยอะเลยเรียกว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ์นะถ้าวิสุทธิมรรคอะอยู่หัวข้อว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ์ที่จะพูดเรื่องนี้เป็นหลักมันก็อยู่ไม่ได้ครบไม่ได้ครั้นหน้าเนี่ยจะจะแสดงเรื่องนี้เป็นหลักแต่ที่อื่นก็มีอีกบ้างแต่ว่าประปรายเนี่ยนะอย่างพระสูตรทั่วๆไป ไม่รู้ว่าอ่านพระไตรปิฎกอ่านจนกว่าจะเห็นขันเป็นแบบนี้แหละแต่ยังศึกษาอยู่นะถ้าไม่เลือกศึกษาก่อนถ้ายังศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ว่าขันตก็ไม่เที่ยงขันเป็นทุกขันเป็นอนัตตาเนี่ยจะพูดอยู่แต่อยังนี่ยนะแล้วก็กิเลสมันไม่ดีมันต้องละนิพพานเนี่ยดีจริงๆปฏิบัติตามไตรสิกขาจะทําให้พ้นทุกเนี่ยจะมีอยู่เท่านี้จริงๆนะเรียนพระธรรมเนี่ยมีอยู่เท่างสอย่างนี้จนกว่าจะได้กิริยามิี่อย่างเมื่ อ, อไรเรียกว่าจบละเหมงอนน